บทนี้มันเป็นบทหลักนะท่องท่องก็จําง่ายนะมาดูมาท่องกันเอาไว้กลับอายุตชนาภูมิกับปฏิจจสมุปะมันเป็นหลักเลยหลักเราเนี่ยเราทิ้งไม่ได้เราทิ้งหนี่ยจะเป็นสปะไปทั่วนะพายุพาเกาะภาถืออะไรไม่รู้ ไปสปะบัดไปเลื่อนลอยไปสิ่งเหล่า น, นี้เป็นหลักมีผู้ทีเจ้าท่านอาหลักนี้มาพูดไม่งั้นพวกเราไม่มีที่ยึดยิ่ไปภาวนาด้วยแล้วเห็นนน่นเห็นนี่เห็นอะไรแต่อะไรตะลอะเกลดเปืงไปไหนก็ไม่รู้ละนี่มองในมิตะพา ย, ยืดอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ละเห็นแล้วเห็นนน่นเห็นนี่เห็นนีเนเน่เห็นนั่นโอ้ได้แล้วชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยอพองตัวละ พ่อเทพจริงคืออะไรไม่ได้เห็นอ่ะด้วยเหตุที่เราไม่มีหลักมันถูกมันหลอกเพราะงั้นหลักเหล่านี้เราทิ้งไม่ได้ครับ <c oughs> อยู่ใกล้วัดเนี่ยมาวัดทุกวันไมะไม่ทุกวันไหนอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้เท่าไหร่ในตลาดอยู่ตลาดห้วยปลูเนี่ยอ๋อที่หลวงพ่อฟินไปบิณฑบาตทุกวันเนี่ยแล้วแล้วใส่บาทุกวันใช่มใส่ทุกวันที่ใส่ ฮะสายสายไหนห้วยคนี่เหอยู่ห้วยคลูนหมา้เนี่ยนี่เลยบ้านหข้างเนี่ยเมาบวฮะเขาลึกเขาลึกจะมีบ้านไหมเขาลึกจะว่ามีบ้านไหมเราเคยเข้ามาดูไหมท่านนะเราเคยเราเคยตอบไปดูไหม เ ร, เ, รเราไปเอารู้มเอารถเราไปเอารถเข้าไปดูโอมันเป็นที่อยู่หมดแล้วเต็มหมดแลเมื 3, ม่อสามปีก่อนมีหมาอะไรอย่างนีนน้อยู่กำล totally. ยูหมดเลยเป็นที่อยู่เป็นบ้านอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่อะไรมันเป็นบ้านคนอยู่สองสามชั้น สามชั้นอยู่ใกล้วัดได้กลิ่นได้กลิ่นไอบ้างหมใกล้วัดกลิ่ไ น, นไอมันเหไปไได้บ้งป้ะอะนี่พวกเร า, าแสดง ว, ว่ากลิ่นไอมันไปถึงใช่ฮะกลิ่นไอไปถึงตนนี้เายังไม่ได้กลิ่นไอมั้งหรือกลิ่นไม่แรงอะยังไม่แรงพอ ตั้ย่สิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยในตรนี้เนี่ยาก็เปิดอบรมมาีีเนี่ยทําทำให้คนได้สติได้ปัญญาได้ข้อคิดอ่านทำให้คนหันเหเปลี่ยนคิดทางชีวิตจิตใจอะไรมากต่อมากแล้วเป็นที่ฝึกที่อบรมคนเรามันด้อยได้วกว่ากาันเพราะว่ามันขาดการฝึกฝนการอบรม รชัชการที่หกหรือเจ็รชการที่สลายนะท่านเขียนเอาไว้มันบอกว่าทุกคนล้วนกําเนิดคล้ายถึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันแผกบ้างอ ะ, อะไรนะใหญ่ย่อมเพศผิวพันแผกบ้าง ความรู้เรียนพันกันหมดคงแต่ชั่วดีกว่ด้างอ่อนแก้รือไหวอ่อนแก้ก็คือขาดการฝึกฝน อ, อ, อบรมความรู้หรือภูมริรู้เรียนรู้เท่ากันหมดตชีทตสาถ้าเกิดเขามีเงินเรียนเขาเรียนสามารถเรียน ด, ดอกต้นดอกก็อะไรเหมือนกันหมดเท่าเทียมกันหมด แต่ที่มันแตกต่างกันก็คือเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติมาดัดแปลงกิริยากายวาจาใจคงแต่ชั่วดีกระด้างคงแต่ชั่วดีหรือกระด้างอ่อนแก่รือไหวมันเป็นภาษาภาษาร้อยกรองว่าอ่อนแก่คือขี้เกียจแก้เนี่ยขี้เกียจที่ค้าน่ะนกินแล้วนอนเล่นเกมหรืออะไรสนุกสนานไปตามเรื่อง เมื่ออยากแก้ rant, ความประพฤติเสียหายแค่ที en, them, ่จริงเรามีความสุขเรามีความทุกข์เพราะความประพฤติของเราเองความประพฤติของเราด้วยกายกรรมด้วยวิจีกรรมด้วยมโนกรรมทีาเรียกว่าพฤติกรรมพฤติกรรมไม่ใช่เราอยู่เฉยแล้วเราได้นะความสุขความทุกข์อยู่เรามีความสุขด้วยเหตุที่พฤติกรรมที่เราทําทําเหตยให้เกิดสุขด้วยเหตุที่พฤติกรรมที่เราทําทําเหตยให้เกิดทุกข์ แท้จริงเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์เนี่ยเราส ะ, สะแส ห, หากระดึงได้ด้วยตัวของตัวเราเองไม่มีใครยื่นให้กันได้คนที่อยู่รอบข้างตัวเรารวมทั้งครัวอาจารย์ผู้บอกผู้สอนท่านว่าเป็นเพียงปรัปัจจัยคือปัจจัยที่อื่นนอกไปจากใจของเราที่เขาหยิบยื่นให้เราเราหยิบไหมเขายื่นมาแเรารับไหมถ้าเรารับก็ได้ถ้าเราไม่รับก็คือไม่ได้ เรียกว่าพระปัจจัยพระปัจจัยแต่ถ้าเรื่องราวความขยันมันเพียนพวามปดความทนมันเกิดขึ้นจับหัวใจของเราจริงแท้แล้วมันเป็นอัตตะปัจจัยปัจจัยที่เกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเราเองอัตตะปัจจัดยดำเนินเองนึกเองคิดเองปรุงเองสร้างเองทําเองในสิ่งที่ดีงามที่ถูกถูกต้องมันไม่มีเทวบุตรเทวดาที่ไหนคอยมาดลบรรดาให้เรามีความสุข แต้ที่จริงความสุขเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเองสร้างเหตุดีเอเราก็ได้ประสบผลดีแล้วก็มีความสุขเหมือนอย่างเราสอบแสวงหาเงินเน่ยเราขยันหามันก็ขยันได้เราเราขี้เกียจหามันก็ขี้เกียจได้มันก็ไม่ได้ขยันหาไม่ได้ขยันหาไม่ได้มีไหมมีอยู่แต่มันไม่ได้มากมันก็ได้น้อยขยันหาแต่ถ้าไม่ได้ไม่หาเลยนี่ ตัดขาดก็เลยไม่ได้ขี้เกียจหานันไม่ได้เลยแขยันหามันไม่ได้มีไหมก็มีอยู่แต่มันอาจจะได้ไม่มากมันได้น้อยมันก็นจะต้องได้แต่ถ้าไม่หาเล ย, ไ ม, ไ, เยไม่ได้เลยขี้เกียจหาเนี่ยไม่ได้เลยปวดแขยันหาขยันได้แขยันรวยขี้เกียจหานี่เกียจได้ขี้เกียจรวยแบกอะไรทีเนี้ยแบกอะไรแบก ทุกแบกนี่แบกความหยาบอยากเต็มแปร่นหัวใจความทุกข์เพราะความอยากนั่แหละทําไมถึงทุกข์อ่ะทําไมถึงทุกข์เพราะความอยากเพราะไม่มีอะไรมาสนองอยากไม่มีอะไรที่จะทําให้รับได้สมอยากเพราะเราไม่สร้างเหตุเอาเอง เหตุ hey, กับผลเท่านั้นที่ทําให้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงเหตุ hey, กับผลสองอย่างแค่นี้ทําให้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงทําให้โลกก้อนนี้เปลี่ยนแปลงทําให้จิตใจดวงนี้เปลี่ยนแปลงเกิดขึ่งจากเหตุจากผลทั้งนั้นถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผล และถ้ามีผลแล้วไม่มีผลใดๆที่จะปรสจากเหตุแต่ถ้าไปลงมีสร้างเหตุแล้วไม่มีเหตุใดๆที่จะประสจากผลเพราะมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่บนพื้นฐานของเหตุกับผลเราเกิดมาเราเกิดมาด้วยเหตุเรามีสุขเพราะเหตุให้เกิดสุขเรามีทุก ก็เพราะเหตุให้เราได้ทุกข์พลิกอย่างหนึ่งเหตุเพื่อสุขคลิกอย่างหนึ่งเหตุเพื่อทุกข์สมุทัยเป็นเหตุก่อทุกข์ให้กับหัวใจของเราม้าเป็นเหตุเหมือนกันดับทุกข์เหตุเหมือนกันแต่เหตุหนึ่งเหตุก่อทุกข์เหตุหนึ่งเหตุระงับดับทุกข์ ทุกสมุทยัยทุกสมุทยัยพระพุทธเจ้าอุบัติก็ตามไม่อุบัติก็ตามสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาอบัตินิโรธมรรคโผล่ขึ้นมาไม่ได้นิโรธมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์มันไม่ ม, ไ ม, ม, รรไ ม, ม, มีไม่มีใครเรียนรู้ไม่มีใครฝึกฝนเราะไม่มีใครเรียนรู้ได้พระพุทธจ้าท่านกว่าท่านจะมาทะลุรู้เข้าใจเรื่องตรงนี้ โอ้ยิ่งโดยการสร้างบารมีเสียสละด้วยชีวิตคอนได้คอนได้คอนได้ความตายแค่เสร็จเล็บความตายเนี่ยค้อนได้คอนได้ขอให้แลกเปลี่ยนด้วยคุณสมบัตินี้เรามาพิจารณาแล้วเราเห็นความอาศัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าพอเวลาพงได้ตัสกรูมนันโอ้จะลุกปุบป่วงไปหมดสําเร็จแล้วโดวยใจทั้งนั้น ใจของพระองคเป็นริบเป็นเดดมีริบมีเดดนึกยังไงเป็นอย่างงั้นนึกยังไงเป็นอยังงั้นนึกยังไงเป็นอยังงั้นด้วยอนุภาพที่จะเรียกว่าพุทธานุภาพพุทธานุภาพพระเจ้านึกยังไงเป็นอย่างงั้นนึกยังไงเป็นอย่างงั้นมันมีเหตุผลพร้อมที่จะตามสนองความนึกเหล่านั้นแต่พวกเรานึกแล้ว ป่านึกแล้วว่างเปล่านึกแล้วว่างเปล่าว่าจะได้นั้นว่าจะได้นั้นว่าจะได้นัะว่างเปล่าแต่ผู้ที่ท่านทาบุญไปแล้วเนี่ยไม่ว่างเปล่านี่อย่างพระอนุรุธท่านนั่นน่ะท่านเป็นผู้มีบุญไว้แล้วท่านไม่ว่างเปล่าพระอนุรุธท่านเนี่ยไม่ให้กินขนมอะไรมนุษยทุกวันทุกวันทุกวันจนติดใจขนมนั้น อยากกินขนมอยากกินขนมขนมที to to from from awesome. eh. ่ก uh, <JO> <hair> ินนั่นแหละกินลวแซ่บอร่อยแม่บอกว่าหมดแล้วหมดแล้วไม่รู้จักชื่อมันชื่อขนมอะไรกันมาลูกแม่บอกว่าขนมหมดแล้วขนมมันหมดแล้วนั่นแหละขนมหมดแล้วนั่นแหละขนมหมดแล้วนั่นแหละหิวขนมนลยโอ้ยลูกเราเนี่ยเราบอกว่าหมดแล้วมันไม่รู้จักไม่รู้จักแม่แต่คำว่าหมดขนมหมดแล้วแม่ก็เลยไปเปิดจานดู ขนมเต็มเลยมาจากไหนขนมนี่ยแหละขนมหมดแล้วนั่นแหละนั่นแห ะ, ะเต็มจานอย่าไม่รู้แม่จะไม่รู้แม่แต่ชื่อขนมหมดแล้วอะกระห h ทินเขานิวงพระติเจ้าไปฉันเนี่ยไปฉันที่บ้านเขานะกระห h ทินกระลกน้องเขาเดรถ์ถีเขาอยากรองว่าสิริคุณเนี่ยไปคุยเขาไปคุยให้เพื่อนก่อนเพื่อนของเขาเนี่ยเป็น เป็นลูกศิษย์ของนักบวชอกีกนักบวชนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างใช่หรือจริงหรือก็ฮาทินลูกศิษย์ของเดรัถถีก็อยากลองเอออย่างนั้นดิ ม, มนท่านพร้อมพระเจ้าประสงค์มาชันทิมารับพัฒนาฐานที่บ้านเราห้าร้อยองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นปนุปประมุขเขาก็มาเตรียมอาสนะปูไว้หนทางที่จะขึ้นไปนั่งบนอาสนะได้เนี่ย ก็ทําเป็นหลุม่านเพลิงทาเป็นหลุมแล้วเผาถ่านเพลิงระอุร้อนอุกมีอะไรมาทางคลางเอาไว้เขาบอกว่าถ้าพระองค์รู้จักพระองค์ยามายาเสด็จมาเพราะตรงนี้หลุม่านเพลิงเอาตุ่มเปล่ามาเรียงไว้เป็นแถวอเอาเม็ดข้าวเม็ดอะไรไปทุบๆทาทายอยู่บ้างพอให้ก็รู้ว่า น, นี้น่ยตุ่มพัดทุ่มตุ่มอาหาร ตุมข้าวยาคูแต่ไม่มีอะไรสักเม็ดเลยอยู่ในตุ่มนั้นมาตั้งหลอกเอาไว้เขาเขาเขาพูดในใจว่าถ้าพราะองค์รู้อยาเสด็จมาตุมก็ตุมเปล่าทางที่จะขึ้นมานั่งก็ดลุลุมฐานเพลิงพระองค์รู้อยู่แต่พระองค์ก็มาเสด็จมาพราะสระงห้าร้อยเนี่ยพมาที่ไหนพระองค์ข้ามมาตอนนี้ปะดอกบัวพู ด, ด, ดขึ้นปั๊บ ปับ๊บซ้ายขวาซ้ายขวาดอกบัวขึ้นมาครับมานั่งสบายเฉยเลยถ่ายแล้วตารสดริุดหลังจากผ่านมาแล้วเนี่ยไฟมอดหมดดับหมดไฟมันดบหมดพุทธานุภาพสะสมเข้ามานั่งเลยสบายโอ้ถ่ายแล้วเพื่อนถ่ายแล้วไอ้องไม่มีม่ีไ ม, ม่มีพัดสักเม็ดเลยไม่มีอาหารสักเม็ดเลยไปเปิดดูเต้หมดทุกโห อศัศจรรย์ไหมเราเกิดที่หลังเราได้ยินได้ฟังแค่นี้เราก็อศัศจรรย์แต่จริงแล้วไม่จริงเรื่องที่เขาเล่าทั้งหมดนี้คือเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์ถ้าไม่อศัศจรรย์นขนาดนี้พวกจะแก้กิเลสได้หรือถ้ารู้จักความโลภความโกรธนะเอาให้พวกเราแก่ไหมเราเป็นลูกน้องของความโลภความโกรธของกิเลสตัณหาเดินตามหลังมันใต้ใต้ใต้ใต้แต่พวกวัดนี่ศัตรูศัตรูนี้จะต้องเอาออก ไม่พระไทยของโบราออกหมดแล้วมองย้อนลงไปเหมือนอย่างย้อนมาที่เราเนี่ยเห็นตัวเราด้วยเห็นใจใเราด้วยนึกคิดอะไรกะะันรู้หมดเห็นหมดครุเจา้าเก่งไหม่องคราสามารถไห น, นี่เนี่ยพระอัจฉริยาของพระพุทธเจา้าแต่ต้องสร้างบา ร, รมีอย่างยิ่งยวดกว่าจะได้คุณสมบัตินี้พุทธเจ้าจึงบัตรขึ้นมาได้ยาก สี่สงขขยแซมหากลับเราจะได้พระพุทธเจ้าแต่พวกเรามีบุญพวกเราเกิดเกิดในภพนี้ในชาตินี้มีพระพุทธเจ้าม า, าบัตกับนี้ยังไม่ได้ไม่ประเลยกันเนี่ยพระพุทธเจ้ายังจะต้องม า, าบัตอีกหนึ่งองค์พระศียรญาเมตต ย, ยรัศมีของพระโคดมยังดูทําให้เราได้ยินได้ฟังได้ส่วนนี้นี่ทั้งน้านเนินนี่ สวดอริยมรรคใองค์แปดนี่สิสมาทิติมาสังโปสมาวจารสมากัมมันโตสมาชิวสมาวายามุสมาสติสมาสมาธิเราไปเปิดดูฉบับพิสดารในมหาสติปัฏฐานเราอยู่วัดเราเราพาสวดทุกวันทุกวันวันละท่อนวันละท่อนวันละท่อนวันละท่อนวันละท่อนมหาสติปัฏฐานแล้วเราจะได้รู้ว่าที่ไปที่มา ตนทางเป็นไงท่ามกลางเป็นไงข้อเท็จจริงคืออะไรเป็นไงที่ผู้ธยันตทรงตรัสอเอาไว้มันเป็นปริยัตแต่มันเป็นปริยัตชี้ตรงแนวไปสู่ข้อปฏิบัติในนั้นเราไม่มีหลักขาดหลักรักสเปสปะเราศึกษารู้หลักเอาไว้เราจะไม่สเปสปัคนที่ท่านศึกษาง่าย ตั้งใจปฏิบัติง่ายสงบง่ายเกิดปัญญาง่ายเกิด อ, อะไรง่ายท่านสั่งสมมาแล้วถึงไม่ได้สั่งสมด้วยการเรียนรู้จากอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ท่านอาจจะเรียนรู้ด้วยการได้ยินหรือฝาดอย่างฟังเทศต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั่นนหะคือการเรียนตราไที่ยังเป็นของท่านอยู่ยังไม่ได้เป็นของเราสิ่งเรานะั้นยังเป็นปริยัติอยู่ เอามานึกมาคิดมาไข้มาครวญและเอามาทําตามจึงอย่างท่านสอนให้เราบริกรรมพุทโธก็พุโทโธตามเหมือนอย่างพวกเราสวดเมื่อกี้นี่ให้เราพิจารณาลมลมหายใจยาวกขากำหนดมลมหายใจยาวลมหายใจเข้า ย, ยาวลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นให้รู้ทันหมดเอาจิตกับกาย มารู้กิริยาของจิตทั้งหมดกิริยาของกายจิตก็มารับรู้จิตก็สามารถอยู่กับพฤติกรรมของกายกิริยาของกายกิริยาของใจจิตก็อยู่มารับรู้อยู่กับกิริยาของใจกิริยาของธรรมปรากฏขึ้นก็รู้กิริยาของกิเลสปรากฏขึ้นก็รู้ เพียงแต่เรารู้เท่าทันว่าสิ่งไหนผ่านหน้าเรามามาปรากฏเฉพาะหน้าเราที่แรกเราก็ไม่ไม่ต้องรู้รว่ามันเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสเราไม่ต้องรู้แต่ถ้าหากเรารวดเร็วเราทันเสร็แล้วเราจะรู้เองว่าโอ้อันนี้เป็นทุกข์เป็นโทษ ร, รีบปัดรีบปัดรีบป้องรีบงดรีบเว้นโอ้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญญารีบ ทรงไว้รีบบำเพ็ญรีบตักตวงรีบทําให้ได้ทําให้มีขึ้นให้รวดเร็วที่สุดสังสมเอาไว้แต่สิ่งที่เป็นเรื่องของกิเลสปัดออกไปชะออกไปถอนออกไปแต่ข้อสําคัญว่าทําไมเราจะมาทันมันเนี่ยตัวเนี้ท่านจึงให้เรายืนกับพุโทโธเดินก็พุโทโธนั่งนอนก็พุโทโธพุโทโธ ไม่ใช่เป็นลาบแล้วก็ น, นึกด้วยเปลวยร่องรอยแล้วก็สําคัญมั่นหมายบอกกันจะพง้อมไปเห็นมู่เห็นนี้วัตถิกิเลสมันยิ่งอ้วนกิเลยิ่งโตมีแต่ความสําคัญมั่นหมายตัวเองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเสี่ยงการศึกษาถ้าเราขาดหลังเนี่ยเราจะเสี่ยงมากแต่เป็นงอมแต่ในหลักเหล่านั้นแหะไม่ยอมเอามาปฏิบัติมันก็ได้แต่หลักนั้นแ่ละเหมือนลุงตาท่าว่าโกัทนลาดโกเทนลอัะนไหน แต่พระโพธิรัตในยุคนั้นในสมัยนั้นท่านบรรลุธรรมแล้วก่อนที่ท่านจะได้บรรลุธรรมเนี่ยลูกทีเจ้าท่านเรียกรงตรัสเรียกขานให้โพธิรัตเนี่ยเอกใจโพธิรัตเลีย ว, ว, ว, ว่าใบลานเปล่าใบลานเปล่าโพธิลัตเลียว่าใบลานเปล่าโพธิรัตจงมาโพธิลัตจงลุกโพธิลัตจงไปเฮลูกทีเจ้าไม่ได้ชมเชยเราเนาะสังเภเราเขาเป็นคณาจารย์มีลูกศิษย์ล uh ูกหาเต็มไปหมด เมื่ได้ชมเชเ ย, เ, ย, ลล เ, ยลลเลยน้อมีจดหมายลาบกล่าวมีจดหมายลาบตเลยระลึกยัยเลยละเลยเห็นเลยตรวเรื่องตอนจากลูกจิษยผู้หาอะไรไปหาอาจารย์ปฏิบัติอะไรที่ปฏิบัติอย่างจริงจังลูกศิษย์ที่เขาเรียนด้วยเด็กเขาไปตั้งใจปฏิบัติเป็นพระอรหนันไปกม็มากมายเยอะแยะทําไมตัวเองยังไม่ได้มรุกทาไมลูกศิษย์เป็นพระอรหันได้ เ้าตัวเองเป็นคนถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าไปให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์เขาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เราเป็นคนถ่ายทอดให้ไม่ใช่ธรรมะของเราเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดให้ลูกศิษย์อาจารย์จะเป็นผุ้ดุชนจะถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์เอาไปตั้งใจทําจริงจังเกิดขึ้นมาขาดสีจนเปลวไฟลุกขึ้นมาได้ไฟได้ไฟใจให้จปฏิบัติขัดเราจนได้อาดได้ธรรมได้มรรคได้ผล ตอนหลังมาเจ้าของรู้ว่าเจ้าของนี่ยังไม่ได้มนุษยธรรมก็เลยไปเสา ะ, ะแสวหาหาอาจารย์ตั้งใจปฏิบัติไปมอบกายกับสำนักสำนักหนึ่งสำนักนั้นมีแต่พระอาหารหันต์ทั้งนั้นตั้งแต่พระมหาเทราจนถึงสมมเณร น, น้อยมี่พระอาหานตทั้งนั้นไปมอบตัวกับหัวหน้าท่านก็ไม่รับโอ้ยเราไม่มีความสามารถดอกท่านเป็นอาจารย์คนาอาจารย์ใหญ่ให้เรามาเป็นอาจารย์ท่านได้ยังไงจะสอนท่านได้ยังไง ถูกดัดองแรกถูกดัดองสองก็ถูกดัดไม่รับตรแต่ละองแต่ละองมันแทงมัใจถูกดัดดัดอะไรดัดทิฏฐิมานะไปเรื่อยองนักกมรับอนก็นมรับองนกมไปถึงสำเนนน้อยเนนมาโอ้ยว่ายชัย้ไม่รับผมเป็นแนนน้อยผมยงมีความสามารถสอนได้สำเนนพระอรหรันต์เนเนน อ, อ, อรหันต์เ่เอเถอะเเนนรดูเรดูอุัตกตาดิ เอาเน้นเอาเทอลองดูงเน่งก็เลยจําเป็นจําใจต้องสอนพระมหาเทระนะเน่งก่อนที่จะสอนก็ทดลองทิฏฐิมนะจนอ่อน <c oughs> พูดยังไงตามหมดพูดยังไงตามหมดพูดยังไงตามหมดให้ลุยน้ํำก็ลุยใ ห, ให้เข้ากอไผ่ก็เข้าโอ้เข้ากอไผ่ให้ลุยน้ำํำนู้นทำนู้นทำนี้ให้ลุกให้ยืนให้เดินให้อะไบอกยังไงได้หมด คือเน้นพร้อมแล้วที่จะทําตามคําบอกคําสอนของนั้นถือเออสงว่าเขาลดทิฏฐิมาหน้าแล้วแหละสอนเรื่องเฮียอจองปลวกจอ้องปวกหนึง่งมีเฮียอยู่ในนั้นนี่มีรูหกรูต้องการจะจับเหียตัว น, นั้นนี่ปิดรูห้ารูเสียหรือให้เหลือแต่รูเดียวเฮียมันออกไม่ได้มันก็ออกมารูรูที่อยู่นั่นแหละเราก็คอยจ้องมันคอยฟานมันคอยจับมัน ถ้าไม่ทำงั้นจับเหี้ยไม่ได้เป็นอุบายเป็นวิธีได้ให้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายเหลือแต่ใจก็หมดจดจ่อจ้องอยู่รู้อยู่เฉพาะใจไปดูกิลเลสมันแสดงกิริยาการออกมาโผล่ขึ้นมาก็ ร, รู้โผล่ขึ้นมาก็ ร, า ร, รู้โผล่ขึ้นมาก็รู้โผล่ขึ้นมาก็รู้ อ, อ, อถึงแม้ว่าจะทําความรู้อยู่เฉพาะตา มันก็ทํางานอยู่หนึ่งเดียวถึงไม่จะทําความรู้เฉพาะกายมันก็ทําความรู้อยู่หนึ่งเดียวก็เท่ากับเหลือรู้เดียวในขณะที่กําหนดจดจ่ออยู่กับรู้เดียวรู้อื่นจะถูกปิดหมดโดยอัตโนมัติเพราะจิตของเราผู้รู้ของเราเนี่ยมันรู้ชัดเจนได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์นี่สําคัญที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ชัดเจนครั้งละหอารมณ์ไม่ใช่ อารมณ์ไม่ชัดเจนสะอาดเลยนี่ไม่ชัดเจนสะอาดเลยตัวไหนมันยานที่สุงหย่อนที่สุดตั้งานสวะงเข้ามาแล้วสงฆเข้ามาแล้วแต่ถ้ารวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยหนึ่งอารมณ์ชัดเจนที่สุดเต็มร้อสมมติอย่างร้อยแดงเทียนแบบร้อยร้อยแดงเทียนนี้อ่าร้อยร้อยแดงเทียนแต่ถ้าเผื่อเอาห้าแดงเทียนแดงเทียนละยี่สิบยี่สบยี่สบยี่สบเนี่ยอ่า มันถูกไปะจายไปถ้าเอาไอ้ยี่ส ส, สไปรวมเป็นร้อยมันก็สว่างจ้ามากกว่าผู้รู้ของเราในใจของเราเช่นเดียวกันหากรู้ได้ชัดเจนครั้งละหนึ่งอารมณ์เพราะฉะนั้นเราจะกำจัดอารมณ์ใดก็ตามเท่ากับเราจ่ออยู่กับรูู้เดียว น, ยนะเจริญสติไปเจริญธรรมฐานไปจะเจริญสมุทัก็ได้จะเจริญวิปัสสนาก็ได้ จริสมถาัก็คือจ้องอยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุทโธไม่ต้องไปตามรู้รู้นี้ไม่ต้องไปตามพิจารณาไม่ต้องไปตามสงบสงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิปัสสนาสงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวด้วยตามพิจารณาอีกด้วยมันเป็นเรื่องทําให้เกิดปัญญา รู้ที่ไปที่มาของมันเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสนาแต่ใจดวงเดียวฮะแล้จของเราดวงเดียวบางคนพูดถึงสมถะสมถะครวแล้วเกินทั้งทธเจ้าเจ้าขอยังไม่มีสมถะเลยอย่ากอะไรแต่วิปัสนาอะไรก็ไม่รู้วิปัสนายังไม่รู้จั ก, กตัวซ้ําไปสมถะมันก็หนุนวิปัสนาวิปัสนามันก็หนุนสมถะวิปัสนาล่องตา สายป่าเราท่านใช้คําว่าปัญญาเมื่ออย่างเราตามตามดูลมนี่ลมเข้ายาวก็ ร, รู้ลมออกยาวก็ ร, รู้แบบนี้เขาเรียกว่าตามดูลมมันเป็นลักษณะที่ดูอารมณ์ไม่ใช่หนึ่งอารมณ์มันสองสาอารมณ์สี่อารมณ์แล้วแต่มันจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปให้เราดูตามต้นมันผู้รู้ของเราก็ไม่ไปไหน ตามทำงานอยู่นะั่นะดูข้อเท็จจริงของมนันอันนึงไม่ตามพุโทโธพุโทโธพุโทโธยุ่คต่คำเก่าคำเดิมนี่แหละจิตเกาะอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวแต่อันนี้ก็เพื่อส่งเสริมอันนั้นอันนั้นก็เพื่อส่งเสริมอันนี้เพราะผู้ทางานคือผู้เดียวกันคือใจดวงเดียวไม่ใช่ใจหนึ่งเอาไว้เจริญสมถะ ใจนึงเอาไว้เจริญวิปัสนาไม่ใช่ใจดวงเดียวเวลาเราต้องการทําให้ธรรมะจ้าขึ้นมาเนี่ยกิเลสมก็หมอบมันแสดงตัวไม่ได้เพราะมันแสดงได้ครั้งล่านหนึ่งมันหมอบอยู่นี่แหละแต่ถ้าใ ห, ให้ตัวนี้จางไปนะตัวนี้ก็เริ่มเริ่มมีพลังแล้วพราะจางถึงขีดถึงที่ น, นีิแสงเข้ามาแล้วสังเกตดูนในใจของเรา เา อ, อันนี้แรงโรออยู่นี่นะ่ะเิเลโรอยู่นี่ยทําก็เหมอะทํำก็เหมาะมันกําลังมันไม่พอแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะไม่คงที่อยู่อย่างนี้ฉะนั้นเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆ อ, อ, อ่อนแรงอ่อนแรงทําขึ้นมาแทนมันตับเบี่ยงกันอยู่อย่างนี้เลยสังขารที่จีบของเรามันจึงไม่แน่นอนมันจึงไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเราตั้งสติปลุกตัวเให้ตื่นรู้อยู่ด้วยความสํารวมและรมาระวัง ด้วยความปวดด้วยความทนด้วยความภาคด้วยความเพียรยกเฉพาะอารมณ์ธรรมขึ้นมาให้รูอย่าแม้อารมณ์อารมณ์ที่หลือมันแทะไม่ให้มันคลาดสายหูสายตาสามารถทําได้จนจิตของเราสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวมันแทะเข้ามาไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่บริกรรมพุทโธมันก็ไม่ไปไหนจิตมันไม่ปล่อยไปนนึกคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องราคะตัณหามันไม่นึกมันไม่คิด มันไม่เผื่อโอกาสให้นึกให้คิดมันมีจอจอเดียวเนี่ยถ้าทำปรากฏอย่างอื่นก็ต้องไม่มีถ้ากิเลสปรากฏทำก็ต้องไม่มีทีนี้วิธีการที่พุทธเจ้าท่านให้ทําให้เราเอาแต่ทำมากํากับที่ใจเพื่อทำให้ให้อันนี้มันมีโอกาสแค่ที่อย่งอันนี้มันไม่ได้มาอย่างไหนมันก็เป็นนิสัยที่เลวของใจของเรากิเลสนี่ยเนี่ยทำคือคุณสมบัติของใจของเรา พากมันมาด้วยกันใจของเรามันมาด้วยกันไม่มีใครยื่นให้เราไม่มีพระเจ้าที่ไหนเอาให้เราไม่มีพ่อของเราแม่ของเราไม่ยื่นให้เราไม่ได้ อ, อัตตะสมบัติสมบัติที่เราสร้างเราทำมาของเราเองวิธีการนี้พระเจ้าทะลุผูกโปรงหมดเอามาบอกเอามาสอนเราให้ทุ่ตามทินตามปฏิบัติตามนี่คือการมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจของเรา เราจะเริ่มรู้จักศีลเราจะเริ่มรู้จักธรรมเราจะเริ่มรู้จักกิเลสแต่กิเลสมนเวลามันก่อตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุนําทุกข์นาโทษกลับเข้ามาทําเวลามันมาก่อตัวปับ๊บเหตุที่ตามมาเนี่ยเพื่อจะสงบระงับดับเหตุไม่เกิดความทุกข์เนี่ยมันเคยเกิดรุนแรงอันนี้กว่าสงบไปสงบไประงับไประงับไปไม่ปล่อยโอกาสให้มันเกิดชะล้างดักจิตใจของตัวเองจนเหลือแต่ จิตนิสัยที่เป็นธรรมเหลือแต่ทำแท่งเหนียวน้องตอาทัวันเหลือแต่ทำแท่งเหนียวเพราะสิ่งเหล่านี้มันจ่าหายไปหมดเลือนรางจ่าหายหมดแต่แต่กว่าเราจะลบล้างมันได้นต้องต่อสู้กันต้องขยี้กันเพราะฉะนั้นท่านจห็มีวิธีการต่างๆให้เราทําอย่างน้อยๆเรารองพื้นเอาให้ทาเข้าไปรักษาศิมก้อนนั้นก้อนนั้นขนาดนีนเน้เริ่มต่อสู้กับมันแล้วต่อสู้ยังไงไม่ให้ฆ่าสัตว์โอยเคยฆ่าสัตว์ทุกวันไม่ได้ฆ่าจะได้อะไรกิน เสียได้ไม่กล้าถือหรอกไม่กล้ารักษาหรอกสิเคยหยุดเคยช่วยเคยชอบเคยฉนเคยรักเคยขโมยเคยได้ลอเราหยุดเราก็เสียโอกาสเคยเกี่ยวข้องกับลูกเขาผัวเขาเมียเขานะลองลองหยุดลองงดเสียโอกาสเสียดายถ้าเราตั้งใจถือปั๊บ ห้ามฆ่าสัตว์เด็ดขาดห้ามนักทรัพ์เด็ดขาดห้ามยุ่งกับผัวกับเมียกับลูกของคนอื่นเด็ดขาดเนี่ยมันก็บรนดาวเหตุบันเทาเหตุเพื่อความทุกข์ไปได้ทั้งเยอะแยะแล้วเป็นสดิเป็นมงคลแล้วในขณะที่เป็นที่อยู่ยโกหกกันเดียวกันอย่างนี้เจ้าอาจารย์วิทยาท่านพูดธรรมะก่อนที่เราจะโกห ก, กคนอื่ น, น <Gre ed será> ต้องโกหกตัวเองก่อน เพราะตัวเองรู้ข้อเทคจิคฟังได้จับได้ไหมอย่าวิทยาท่าพูดเป็นธรรมนะฟังอยู่เลยก่อนที่จะโ็หกไปถึงคนอื่นเขาตโหกตัวเองก่อนลงทุนซื้อของเขามารอละสิบบาทรู้อยู่ถ้าเราบอกสิบบาทเราจะได้น้อยไปเอ้ยนี่เราลงทุนมาเลยนะสิบสองบาทนะ ขอสักสิบห้าบาทเถอะขอสักสิบห้าบาทเถอะนี่ลึกเืออะไรเจ้าของรู้ว่าเจ้าของโกหกไหมรู้โกหกตัวเองคนแล้วคนที่จะไปโกหกคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อรายได้เพื่อผลประโยชน์เพื่อความโลภอย่างได้มากแล้วยิ่งพิจารณาแล้วยิ่งคำนึงถึงสิ่ถึงธรรมเลยอ้มันแซ่บมันอร่อยนะ เราพยายามตั้งหตั้งใจทำสิ่งที่เรามันหมุนไปจะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาโลกนี้โอ้โลกนี้น่าอยู่น่าอยู่เพราะเรามีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เราจะได้ตั้งหงตั้งใจศึกษาฝึออกฝนอบรมและมีข้อแ ป, ปรปาอัธยาศัยทําให้เราทำให้เราได้ทําให้เรามีทําให้เราฉลาดทําให้เรามองโลกนี้อย่างฉลาดไม่ใช่เป็นคนมาหมกหมกอยู่กับโลกหมก อ, อยู่กองกองิเลสตันหาน มาเรียนรู้เรื่องของมันมาลบมาชะล่างเรื่องของมันแล้มาทําความภาคความเพียรส่งเสริมจิตของตัวเองให้เด่นขึ้นให้สว่างขึ้นให้สง่าขึ้นให้รอบรู้ขึ้นให้บ่อที่สุดขึ้นอันนี้มีความสําคัญมากาต้องทําเวลา อย่าเราต้องการจะทําให้ใจสงบภาวนา ใ, ใจสงบเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเวลาคึ่งชั่วโมงเอาให้จริงจังเข้าไปหนึ่งชั่วโมงเอาให้จริงจังเข้าไปการที่เรานั่งภาวนานี่คือการมันนั่งดักจริตนิสัยที่มันเรวเร็วซามของจิตของเราเนี่ยเพื่อให้มันอ่อนโยนเพื่อให้มันซื่อตรงให้มันอ่อนนิ่มใช้ยังไงก็ได้อย่างนั้น มุทุตาละหูตาถ้าบอกมุทุตาอ่ อ, อนนิ่มไปตามจริงใจที่เราฝึกะละหูตาเบาสบายปลอดโปรง่งเวลามันเกิดขึ้นมันปรากฏที่ใจมันปรากฏที่ใจมันปรากฏที่กายแค่มันปรากฏเบาสบายปลอดโปรง่งโอ้เราก็มีความสุขขนาดไหนแล้วแหละมีความสุขจนกิตนั่นแหละงั้นอยากได้อีกอยากเบาในอีกอยากเบาสบาย ออย่างงี้เหมือนดูมันจะเหาะได้เฮ้ดูมันจะลอยได้ดูมันจะลอยได้ติดอกติดใจลองดูสิเอาให้ลอยได้เด้ต่ว่าเล่นสิคนทําได้เหาะได้จริงลอยได้จริงจริงเนี่ยจิตลึกยังไงไปอย่างงั้นเลยแ่ะหายแวนูน่นไปโผ เทวดาชนนั้ น, นชนนั้ น, นชนนั้ น, นไปเที่ยวดูทีมานั้นีมานั้นทีมานับโปั บ, ปบสำเร็จด้วยใจพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จด้วยใจสำเร็จด้วยใจหมดเลยสัญญาุภาพเป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาพระพุทธเจ้าเทวดาที่ไหนหมดโกธาตุจะมาสู้พระองค์ไม่มีหร้วพระองค์ก่อนที่จะมา อ, อบัตพระองค์เป็นเทวดานี้ เทวดาทั้งหลายไปอาราธนาท่านให้เม า, าบัตรเทวดาเขาจะไม่ตามมาดูแลได้อย่างไรเของค์เป็นเทวดาของเทวดาเป็นจอมของเทวดาจองของเทวดาบนสมัญชั้นดาวดึงก็พระอินทร์พระอินทร์แต่พระเจ้าเป็นจอมของเทวดาหมดโลกธาเนี่ยเทวดาที่ไหนจะมาสู้พระองค์พลังของจิตอนุภาพของจิตความสามารถของจิต เอาสิ่งที่ปลอมแปลงออกหมดเหลือแต่ของดีทั้งหมดนึกคิดใช่ควรยังไงเป็นอย่างั้ น, งงนไปหมดไม่ต้องพูดถึงว่าความสุขความสุขแค่สุ ข, ขเวทนาเหมือนอย่างที่ตัวเราเจอเนี่ยความสุขของพระองค์อะประมังสุขังประมังสวขขังความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขเลยยิญญ่งกว่ามันไม่มีอะไรมาที่มาแทนไม่มีกระนุกไม่มีข้าไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีรส ขมรสเฟื่อนรสไม่มียางหมดอะไรมาวนเปื้อนนหวานหอมแซ่บอร่อยคืนชื่อว่าอะไรอร่อยที่อร่อยที่สุดนั่นแหละรสชาติของนั้น ấy, ไ่ะปรากฏในพระทัยของพระรสชาติของพระธรรมอรถชาติอรรถชาติของธรรมอรรถของธรรมเราแค่ทำให้ปัญหามันสงบในหัวใจของเรา ใจของเราจะมีความสุขสับขนาดไหนใจที่มันสงบเพราะเพราะตัณหามสงบใจไม่สงบเพราะตัณหามันไม่สงบมันดี่มันดิ่มนึกนู้นนึกนี่คิดนุ้นคิดนี่ปรุงนู้นปรงนี่นั่งภาวนาแท้แท้ยังอยากหยิบมุ้นมาอย่างหยิบนี้มาอยากเอานั้นมากดอยากเอานี่มากดเราหนุนจีเออเพราะอะไรเพราะความอยากมันไม่มันไม่สงบอ่ะ ความอยากที่ตันหาอะไรแต่ถ้าเป็นอยากแต่ถ้าเป็นอยากโดยมาร์คน่ะมันต้องการสงบเรื่องอะไรมันจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันไม่ปล่อยถ้าเป็นถ้าเป็นอยากของมาร์นะมันอยากสงบอารมณ์ที่มันยุ่ยแย่ก่อกวนมาไม่ใจจ้องจอปัดออกปัดออกปัดออกดูไปเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงเราพยายามตั้งสเตียรอลขึ้นมามันเป็นของมันเองเหมือนถูกมือนเหมือนถูกตัด เหมือนถูกละเหมือนถูกเว้นเหมือนถูกปล่อยเหมือนถูกทอดทิ้งเหมือนถูกทำเป็นลืมมันไม่ยุ่งจิตเราไม่ได้ก็สงบไปมันกระเนี้ยไปแล้วก็หมดกำลังหมดอำนาจหนท่สุดก็คือเราไม่ชะละ้าพฤติกรรมขางใจของเราใิ่เองตัวมันมันเลวใิ่เองเรามาฝึก กิเลสเร็วๆแบบนี้เราไม่เอาฝึกให้เป็นอย่างนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้คือเป็นธรรมก็เป็นธรรมนำสุขมาให้นำประโยชน์นำสุขมาใ ห, ห้ตายะสุขายะมันไม่ใช่นำทุกข์นำโทษมาให้นำสุขมาให้เดี๋ยวนี้พวกเราเข็ดลาบกับกองทุกนี่แหละแค่เป็นโรคนี้โรคนี้เจ็บปวดป่วยไข้นู้นนี้ก็คืออะไรก็คือกองทุก กองทุกอันนี้มันมีประจํากองสังขารเป็นทุกขกับสภาวะสภาวะธรรมเป็นทุกขกับสภาวะมันหามันมีมันเป็นของมันพระพุทธเจ้าท่านเรียนให้เจริญให้รู้รู้สิ่งเหล่านี้ก็สักเท่าทว่ารู้รับผู้รู้ว่าสิ่งเหลนี้เป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่ไม่เอาอันนี้ดูเพื่อปล่อยดูเพื่อปลดดูเพวกเพื่ อ, อ, องดูเพื่อที่จะเอาผู้ที่รู้นั่นแหละหรือให้หรือให้เหลือแต่รู้ที่บริสุทธิ์หมดกิริยา ที่จะมาดึงมาผลักไปไม่มีแล้วที่จะมาสั่พันมั่นหมายว่าดีว่าดีว่าวิเศษวิโสว่าอตตาว่าตัวว่าตัวอะไรไม่มีแล้วกลายเป็นสภาวะของธรรมชาติทั้งหมดเท่าเทียมกันหมดบนโลกใบนี้ธรรมของพระเจ้าที่สอนพวกเราก็บางทีเราก็สนใจน้อย สนใจถึงเรื่องชีวิตเรื่องป่าเรื่องท้องขาดความสนใจเรื่องจิตใจแท้ที่จริงเราควรพัฒนาไปพร้อมๆกันชีวิตกับจิตใจก็จิตใจก็พยุงชีวิตชีวิตก็เป็นถ้ำเป็นครูหาของจิตใจมันต่างเครือกูลแก่กันและกันนี่เราจิตใจของเรามาเดินเจริญตามทางมรร ทางบุญเพื่อบรร เ, เพื่อบุญเพื่อบุญส่ด้วยแล้วเป็นพลังมีพลังมีอนุภาพในตัวเป็นสริริเป็นมงคลในตัวเป็นตัวที่จะคอยดึงดูความเป็นสริริความเป็นมงคลความเป็นโชคความเป็นลาภความผาสุขความสะดวกสบายความไม่ผิดหวังสามารถดึงเข้ามาได้ดเข้ามาได้เพราะเพราะเพราะมันอะไร เรื่องของความดีเรื่องของบุญมันเป็นยอดของสิริยอดของมงคลยอดของสิริยอดของมงคลคือบุญแหละเป็นที่รภศิริิริศิริเรว่าความงามทายาว่าคนนั้นมีสิริคนน้มีสิริคนนี้มีสิริรูปร่างรูปร่างของคนนั้นก็มีสิริเขาบอกมีสิริคือเขามีรูปร่างงามิริเรีว่าความงามแต่เขาเชื่อว่าบุญนั่นแหะ งามกายก็งามวาจาก็งามใจก็งามความสุขที่เกิดขึ้นจากมีอุณหภูามิมาความสุขเกิดขึ้นจากความงามงามโลกกายไม่กิดศีลไม่ผิดธรรงาม้วยวาจางาม้วยวาจาไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมงาม้วยใ จ, น, ยใจนึกคิดในเรื่องอานเรื่องทมนึกคิดแต่เรื่องที่จะปลดเรื่องความทุกกองโทษออก จ, จากหังใจเพื่อจะคนทุกคนโทษ ตัญหาคนอุปาทานอย่าลืมว่าตัญหามันโปผว่าอุปาทานตามมาด้วยอุปาทานมันสวมรอยขึ้นมาที่ไรเมื่อไหร่ตัญหามันก็อยู่ในนั้นปัญหาอุปาทานโอกาสที่มันจะสวมมาได้ง่ายๆก็คือกิริยาที่มาปรากฏเฉพาะหน้าเราสุขทุกข์หรือว่รูปรูปงามรูปไม่งามเนี่ยมันก็มาสวมรอยเอาตรงนี้แหละถ้าเราไม่ทันมันจะยืด สิ่งที่ดีที่งามมายึดเข้ามาสิ่งที่เห็นว่าสวยว่างามมายึดเข้ามาทักพันมันหมายเข้ามาแล้วสหาแสดงหาได้มาแล้วก็มากำลับม า, ม, ามาถุงมามาหวงมาฉนุมาถนอมทุกทุกทุกทุกทุกทกทุกทุกทุกทกทุกทุกทุกทุกทุกอุกทกทุกทุกทุกทุกเรกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกิุกทุกทุกทุกทุกทมกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกท ยึดเอายึดเอายึดเอายึดเจากพฤติกรรมที่มันผ่านหูผ่านตาผ่านอะไรอะไรของเราอะไรอะไรผ่านตัณหามันผ่านเคลเลิกมันผ่านตันผ่านมาปั๊บปรากฏเป็นรูปรูปไม่ดีมันก็ปัดออกไปปัดออกไปมันก็ยึดถือมันกันอุปาทานมันกันอุปาทานคือไม่ถูกใจปัดออกไปยึดเข้ามายึดเข้ามาคืออุปาทานมันกันยึดเอายึดเอายึดเอาอันนึงพยายาม ผลักดันออกไปให้พ้นหน้าพ้นตาอันหึพย า, ยามดึงเข้ามาให้ได้มากที่สุดเพราะมันต้องการมันชอบกจมันถูกใจกิจยาใดก็ตามโผล่ขึ้นมานั่นตัณหาโผล่ขึ้นมาแล้วอุปาทานมาพร้อมอุปาทานมาพร้อมมาพร้อมมาพร้อม ม, พ, อมพบก็มาพร้อมชาติก็มาพร้อมโสกปริเทวะทุกขทมนัสอวปลายาตเศร้าสงุยโยคคร่ำควรวญ มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปประสบพบเห็นความผิดหวังตัวอะไรตัวอะไร อ, ไรอื่นมันตามมาสาเหตุต้นตอนไปจากตรง น, นี้เราพยายามศึกษาข้างนอกไปย้อนเข้ามาข้างในศึกษาข้างในไปย้อนเข้าไปข้างนอกจะทําให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นดืนดนดนตมตามั น, มนกน็อยู่กับมันมันก็รู้มันอยู่กับมัน ที่ฝนอยู่นี่ช้าล่างอยู่นี่กล่าอยู่นี้อยู่กับสิ่งที่เป็นสัจจ์ถึงแม้ว่าจะอยู่เป็นระยะเวลาน้อยเป็นระยะเวลาสั้นแต่ก็มันเป็นพื้นเป็นฐานที่จะทำให้เราสะสมไปได้อย่างมีหลักมีเกณฑ์มีพื้ น, ม, นมีบาทมีฐานดีกว่าเราล่องลอยไม่มีที่ยึดที่กกอบล่องลอ ย, ยเลื่อยเปลยไม่ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้อะไรกันเลยเพราะฉะนั้น หลักอันนี้จริงเป็นหลักสําคัญครัเราปล่อยไม่ได้เราทิ้งไม่ได้เราวางไม่ได้รำบัตรท่องบนชวดมนภาวนาศึกษาหาความรู้สิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อรู้ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าเรานั่นแหละนั่นแหละคือสัจจคือข้อเท็จจริงรู้ข้อจริงรู้สิ่งจริงก็คือรู้สิ่งที่ชอบรู้สิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่มีรู้สิ่งที่เป็นตามที่มันมีตามที่มันเป็นตามภาวะของมันของมัน แตถ้าไม่ศึกษาแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจดอกหมายอย่างหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งก็บไม้ไปอย่างหนึ่งความสัตย์จริงของมันเป็นอย่างนี้เป็นนี้ใจที่มันมืดมันบวมันกับไม้ไปอย่างหนึ่งมันหมายเอามันยึดเอาอ่ะตัวหมายมันมีอยู่แล้วเนี่ยตัวสัญญาตัวหมายตัวสัญญาเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีตัวหมายตัวสัญญามันจึงมาหมายหมายว่าเราหมายว่าอัตตาของเราหมายว่าตัวตนของเรา หมายว่าลูกเราหมายว่าพ่อเราหมายว่าแม่เราหมายว่าเมียเราหมายว่าเพื่อนเราคาว่าหมายก็คือไปยึดเอาไปสาคัญมั่นหมายเอาไปบังคับเอาไปขู่เข็นเอาไปหลงไปหลงยึดเอาหลงถือเอาด้วยความสาคัญมันทีข้อเท็จจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ความเข้าใจของเราไปอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริง แต่เราพยายามศึกษาเรื่องของสัจจะจะทำให้เรารู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนี่แหละเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะรู้จะเข้าใจจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาตามหมาักตามอริยามรรคใงแปดจะต้องเป็นสัมมาปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นนิโรธคือความดับทุกเห็นข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกท่านตะล่อมมาตรงนี้เห็นหลก มหสิปทานสีเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมขุดค้นกายขุดค้นเวทนาขุดคน้นจิตขุดค้นธรรมเห็นตรงนี้ท่านถึงถึงจะถึงจะกล่าวได้ว่าพูดได้ว่าเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบมีตาเห็นอะไรได้ต่ออะไรสารพัดแต่มันไม่เข้าหลักถ้าหมุนมาตรงนี้แล้วมันเข้าหลัก เราทํอาหากินอย่างอื่นเราก็ใช้ไปทําไมจะได้ทําไมจะมีอยู่ทําไมจะมีกินทําไมจะมีอะไรจะไดแต่ถ้าหมุนมาเพื่อข้อสัจจะที่แท้จริงจะต้องหมุนมาตรงนี้เห็นอริยสัจสี่เห็นมหาสติปัฏฐานสี่ตั้งพยายามตั้งสติให้ตามกำหนดจดจ่อสิ่งเหล่านั้นเพราะอันนั้นคือข้อแท้จริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อเราปิดรูห้ารูเหลือรูเดียวเพื่อจะจับแย้นั่นแหะ เราก็พยายามเสาะหาเสาะหาตัวแย่อันนี้เป็นทางดําเนินเป็นพ่อปฏิบัติคนงดนั้นคนเว้นนี้คนจาะตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไว้วิธีหลายหลากมากมายที่อยู่ในคําบอกคําสอนเราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจวันเล็กวันน้อยเมือนเราใยหาคุณงความดีใยหาสัมมาทิฏฐิใยหาสัจจะ เองฮะความดีให้กับตัวเองคนที่ตั้งอกตั้งใจอัดตักสัมมาปณิทิตั้งตนไว้ชอบถึงจะค่อยๆขยับไปมันก็เหมือนกับเราค่อยๆขยับขึ้นเนินขยับขึ้นมาเรื่อยขยับขึ้นมาเรื่อยขยับขึ้นมาเรื่อยขยับขึ้นมาเรื่อยไม่รู้ว่าเราขึ้นเนินนะขยับขึ้นมาเรื่อยขยับขึ้นมาเรื่อยอพอมาตั้งท่าย้อนหันย้อนหลังไป่อพ้สูงไวสูงขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเนี่ย มีข้อออกมาการที่เราตั้งตนไว้ชอบยืนอยู่บนพื้นฐานของความดีเมื่อเราเค่อยๆขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยไม่รู้ว่ามันเป็นทางขึ้นนะอันนี้มันเป็นคําเปรียบเทียบเมื่อเราขึ้นเนินขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยบางที่ก็สําคัญโยโย่เป็นเนินขึ้นไปเรือ่อยๆขึ้นไปเรื่อยบขึ้นไปเรื่อยๆมันนานเข้าหันมาข้างหลังทีหนึ่ ููสูงความรู้ความสามารถความเข้าใจรวมถึงความละเอียด อ, อ่อนของความของข้อปฏิบัติความประพฤติของเรามันก็สังสมอบรมให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจิตใจของเราก็จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นสติปัญญาก็เด่นขึ้นไม่ต้องพูดถึงความสุขความสุขมันตามมาอยู่แล้วแหละเอาละพอสมควรเกิเวลา ไปนั่งภาวนาเอเองไม่ได้พานั่งภาวนาควจะเสียเวลาไม่มีเวลานอนกลับไปไปนอนี๋วยวจะต้องมีงานทำอีกแล้วพวกนี้ไม่ได้ไปนู้นใช่ไหมไม่ได้ไปเฝ้ า, วาวสวนเอาครับ ผมพ่อถ่าอยู่คนเดียวไม่พลาทําัตรสวดมนต์หรือตีระฆังเอาระฆังดังดังๆมาตีที่ครับพวกเราได้ยินนะทำบัตร ส, สวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันไม่ทาเองไม่อยาก ท, าทําำพี่ท่านพี่เสี่ยพี่ท่า น, นพอ่อพาทำนะฮนะ แล้วใครอยู่ตรงคาราโอเกะเนี่ยตรงนี้ใครอยู่ใครไม่มีแล้วเขาเข้ามาไหมไม่มีมีแต่เสียงเข้ามาคนไม่มีไม่มีคนเข้ามามีแต่เสียงเข้ามากว่าทุกวันใช่ไหมกว่าทุกวันบริการทุกวันแล้วพวกเราก็ไปใช้บริการทุกวันนะ แล้วขับได้ขับได้เกือบสามทุ่มแล้วตัวนี้พวกเราก็ไปแต่เช้าอีก mm. เช้าเท่าไรวะนะ <15. S 1> ตีห้าตีห้าตนี้ตีห้าพวกเราก็ไปดันรามเตี้ย mm. แต่ว่าเราต้องกลับมานี่อีก mm. มหมูจะมารับเราที่นี่ไปต้องที่สวนแห่งธรรมอ้าวเก็บเก็บ ชาลาหลังนี่ท่านสีกับองพ่อทาเนี่ยดูแลรับผิดชอบปิดไปปิดนู้นปิดนี่ปิดประตูปิดอะไรสาลาที่มีคุณสมบัติคุณชาลาที่มีความสำคัญทำให้คนกลับจิตกลับใจกลับเนื้อกลับตัวได้รับความสุขได้รับความเชื่อนทางด้านจิตใจมากมาย ปวดอบรมมาทั้งยี่สาปีาหลังเนี้เป็นแหล่งบุญที่เเรียกว่ากองบุญบุญนิธินิธิแปล ว, ว่ า, า, าแปล ว, ว่าขมนิธิแปล ว, ว่าขมุมบุญนิธิแปล ว, ว่าขมุมทรัพย์คือบุญมูลนิธิขมุมทรัพย์ ผมทราบคือเงินเอาไปเข้าบัญชีไว้ที่เรียกว่ามู ล, ลนิธิมีคำเรียก บ, บุญนิธิคุ้ทครั์คือบุญนี่เท่ากับบุญนิธินี่ตัง้งขึ้นมาปั๊บเพราะยังการสร้างวิหารถวายพระเจ้าประสงค์จึงมียงสง ม, มากมากกว่าถวายทานกับพระพุทธเจ้าอีกถวายทานเนี่ยสร้างวิหารให้กับพระเจ้าประสงค์เพราะมันเป็นข้อปฏิบัติที่นี่แหละ ไปชะไปล้างไปขัดเกลาทิฏฐิมานะของคนก็เป็นสัมมาทิฏฐิอาไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับคนมิจฉาทิฏฐิกลับเนื้อกลับตัวเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ปลอมแล้วก็มารู้จริงมิจฉาทิฏฐิรู้ปลอมมิจฉามิจฉามิจฉาแปลว่าผิดเข้าใจผิดรู้ผิดคือคอรู้ปลอมรู้ไม่จริง สัมมาสัมมาสัมมาแปลว่าชอบแปลว่าจริงเปิดหูปิดตาเปิดสติเปวดปัญญาดูให้เห็นของจริงนี่เป็นรองฝึกแยลว่าเป็นร้องบ่มถ้าเปิดพวกเราเป็นคนบ้าคนี่คือคือรองบ่มคนบ้าให้หายบ้า <laughs> นี่สองสามคนสองสามองค์นี่ดูแลรองบ่มให้ดีนะโน่นดูแลรองบอม่บมไม่ดีบ่มจิตบ่มใจของตัวเองดีบม่มบ่มคนบ้าให้หายบ้าบ่มคนเมาให้หายเมาเมาอย่าบ้าเมาเหล้าเมาอารมณ์เมาการมคุณ บ่งให้มันหายเมา